ไม่เหตุการ์อย่างเมื่อวานซึ่งถ้าผู้ฟังเนี่ยซึ่งเป็นคนกลางเนี่ยคนที่ไม่เข้าไปเขาเรียกว่าไม่เข้าฝ่ายใดฝ่ายหนี่งเนี่ยก็เหมือนเราเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูอ่ะแล้วต <mate được kindergarten> ัวละครก็คือคนนู้นแสดงทีคนนี้แสดงทีแล้วกตัวโยมเนี่ยเราสมมติว่าเป็นตัวดูเนี่ยมันก็ได้แต่ดูรู้แจ้งแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าไอตัวดูเนี่ยเป็นตัวหลุดแต่ตัวละครเนี่ยเป็นตัวที่แสดงน่ะแยกกันอย่างเนี้เลยทีนี้ คนเรามันโอเคถ้าดูภายนอกมันแยกได้ว่าเราอะไม่ได้เป็นสิ่งนั้นใช่ไหมแต่ถ้าแยกในตัวเองเนี่ยเพื่อให้ตัวรู้เนี่ยมันหลุดออกมาจากตัวขัดหน้าให้หลุดพ้นมาจากตัวเราเนี่ยตรงนี้มันมันยากไงหลวงพ่อเลยต้องยกตัวอย่างไปเรื่อยๆแต่ว่ายังมีตัวอย่างอีกเยอะอนะแต่ว่าค่อยๆที่มันไม่หลุดก็เพราะว่ามันมันมันแยกออกจากขาัดหน้าไม่ได้นะใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้หลวงพ่อก็เดี๋ยววันนี้หลวงพ่อตั้งชื่ออะไรเนี่ยอ๋อตั้งชื่อว่า ให้เห็นตัวเองก่อนที่ตัวเองจะเห็นค่ะอพวกตัวเองเนี่ยมันเป็นฐานที่ตั้งอยู่แล้วซึ่งเห็นถ้าเห็นเป็นมันก็ง่ายในการเห็นใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่กับมันอยู่ด้วยกันเนี่ยไอตัวรู้กับตัวตัวเองอะนะตัวตนอะเนี่ยใช่ใช่ผมว่าตัวตนก็ดีเหมือนกันไอตัวตนเนี่ยความเป็นตัวกูเนี่ยเนี่ยตัวกูก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ไอตัวเห็นมันก็เห็นตัวกูแต่แต่ว่าถ้าเห็นตัวกูเนี่ยมันเหมือนกับมันยังไม่แยกระหว่างตัวกูกับตัวเห็นไงมันก็เลยเป็นตัวกูไปหมดเลยใช่ไหมค่ะทีนี้ ทำยังไงให้ตัวกูให้ให้ตัวกูกับตัวเห็นเนี่ยมันมั น, มนไ ม, ไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกันเนี่ยเหมือนกับว่ามันอยู่ด้วยกันแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งเดียวกันเนี่ยเดี๋ยววันเนี้หลวงพ่อจะมีแบบฝึกหัดอีกแล้วก็ล่องดูว่ามันจะได้ไหมเนี่ยทีนี้เออเดี๋ยวทําความเข้าใจในในหัวข้อเรื่องนะเพื่อเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันนะคื อ, อคําว่าตัวเองนะตัวเองเนี่ยหลวงพ่อก็สมมตุติคือก็ตัวเราตัวที่ ใช้ภาษาบ้านๆเลยตัวเองก็คือตัวเราที่เป็นรูปเป็นมีเนื้อมีหนังเนาะเออมีเนื้อมีหนังมีตับไตไส้พุงที่มันประกอบกันว่าที่เรียกว่าตัวเรานะอันนี้นิดขอสมมติเป็นอย่างนี้ก่อนเช่นสมมติเราเวลาเราบอกว่าอไปไหนมาไหนเนี่ยเห็นไหมเราก็หมายถึงว่าตัวเองเนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นผู้ไปเป็นผู้มามันก็จะเข้าใจได้ตรงกันว่าคําว่าตัวเองก็คือตัวผมตัวฉันตัวไออย่างเนี้นะเออตัวเองตัวเองนะให้ก็จะสมมติอย่างนี้ก่อน แล้วไอ้คำว่าเห็นเนี่ยคือมันเป็นสภาวธรรมอีกอันหนึ่งคือมาเห็นตัวเองถูกไหมเป็นสภาวธรรมที่เห็นตัวเองเพราะบางทีเราก็ลองแยกกันอย่างนี้ก่อนสิว่าตอนที่ลืมตัวเนี่ยตัวเองยังอยู่ยังไม่ได้เข้าลงเนาะยังไม่ได้ถูกฝังยังไม่ได้ไปไหนเนาะตัวเองมีอยู่แต่ไม่เห็นตัวเองแต่บางครั้งบางคราวตัวเองมีอยู่แล้วก็เห็นตัวเองตรงเนี้ยหลวงพ่อต้องการเชี่ยเห็นว่าไอ้ตัวเห็นเนี่ยกับตัวเองเนี่ยมันเป็นคนละตัวกัน แยกได้ใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะตัวเองมีอยู่ไม่ได้หายไปไหน ย, ยังไม่ได้ถูกเผามันมีอยู่แต่ไม่เห็นอ่าแต่บางครัง้งบางข่าวตัวเองมีอยู่แล้วก็เห็นไอ้ตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าเห็นเนี่ยมันคนละตัวกับตัวเองอ่าทีนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยไอ้ไอ้เห็นเนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นธรรมชาติคู่กับตัวเองอยู่แล้วตั้งแต่เกิดอะ่ะมันต้องให้มาพร้อมกับตัวเองจริงๆริงเราเห็นตัวเองมาแบบบ่อยครั้งมากเห็นเนืองแต่เพียงแต่ว่าไม่รู้จกัก ไม่รู้จักไอตัวที่ทําหน้าที่เห็นเห็นตัวเองใช่ไหมแต่ทีนี้หลวงพ่อจะทํำยังไงเนี่ยว่าให้รู้จักไอตัวเห็นคือให้รู้จักว่าเออไอตัวเห็นเนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วก็มันทําหน้าที่อะไรยังไงอย่างเนี้ยหลวงเพื่อเพื่ออะไรก็เพื่อให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจว่าอ๋อถ้าตัวเห็นมีจริงแสดงว่าตัวเห็นเนี่ยมันไม่ทุกข์แต่ตัวเองเนี่ยที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยตัวเนี้ยตัวตายเกิดมาเน่าเตยผุพังใช่ไหมเออ แต่ตัวเห็นมันไม่มีตัวมันเป็นสภาพที่พ้นไปที่เราคุยกันบ่อยๆว่าไอ้ตัวเห็นเนี่ยเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ปรากฏแต่มันเห็นตัวเราได้อ่า <c oughs> อันนี้ <c oughs> คุยกันเพื่อให้เข้าใจต้นทางแบบนี้ก่อนอ่าทีนี้หลวงพ่อจะยกตัวอย่างจริงๆตัวอย่างเนี่ยยกยกตัวอย่างยกเคยพูดถึงมาแล้วเมื่อวานมั้ง <c oughs> ที่บอกว่าเราเนี่ยไปพักไปพักค้างคืนอ่ะพูดถึงค้างคืนก็ได้เอา้าที่โรงแรมเนาะทึ่มันเป็นห้อง แล้วเพื่อนเราเนี่ยพักอยู่อีกห้องนึงตัวเราก็พักอยู่อีกห้องหนึง่งยมดูซิว่าในห้องเนี่ยมันมีผนังกั้นอยู่แต่ทําไมเห็นเพื่อนเราได้ว่าเพื่อนเราเนี่ยอยู่ห้องโนู้นแล้วก็ทําไมรู้ได้หรอว่าตัวเราอยู่ห้องนี้เนี่ยตรงเนี้ยมันมีตัวเห็นมีแล้วถ้าไม่เห็นถ้าไม่มีตัวเห็นแล้วจะรู้ได้ไงว่าเพื่อนอยู่ห้องนู้นแล้วจะรู้ได้ไงว่าตัวเราอยู่ห้องนี้เนี่ยตรงเนี้ยมันมีตัวเห็นเรียบร้อยแล้วแต่เราไม่เข้าใจเรืร่องนี้ก็ มันก็แบบคิดไม่ออกแต่จริงๆไม่ใช่คิดอามที่หลวงพ่อยกตัวอย่างอ่ไม่ต้องคิดหรอกมันเห็นเลยรู้เลยว่าอ๋อเพื่อนอยู่ห้องนู้นเราอยู่ห้องนี้นี่ต้องคิดไหมล่ะมันเหมือนกับว่าถ้าผ่านการการเห็นมาแล้วว่าเพื่อนอยู่ห้องนู้นเนาะพันอาจจะก็เรียกว่าเห็นด้วยตามาแล้วอ่ะแล้วก็พอตอนหลังเนี่ยไม่ต้องเห็นด้วยตาเลยมันรู้เลยว่าเพื่อนเนี่ยยังอยู่ห้องนู้นแล้วเราก็อยู่ห้องนี้ตรงนี้ยชี้ให้เห็นว่าการเห็นเนี่ยมันมีอยู่จริง แต่คนที่เข้าใจผิดก็เข้าใจผิดตรงที่ว่าเราเป็นผู้เห็นเท่านั้นแหละแต่ถ้ารู้ว่าเห็นเนี่ยมันไม่เป็นเราเห็นเนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีอยู่นะซึ่งมันไม่ปรากฏตัวมันก็เลยเห็นเราได้ทีนี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้ในเบื้องต้นก็พอจะเออพอเห็นลางลางแล้วว่าเออเนาะตัวเราเป็นสิ่งถูกเห็นแต่ผู้เห็นไม่ปรากฏตัวเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็จะทําให้ต่อไปก็ต้องต้องศึกษาแล้วต้องเหมือนกับว่า ต้องเรียนรู้ว่าเออเรียนรู้ยังไงก็เรียนรู้คือให้ให้เข้าใจถึงใจว่าธรรมชาติที่หลวงพ่อพูดมาเนี่ยมันมีอยู่จริงอ่าทีนี้หลายครั้งเนี่ยที่หลวงพ่อก็เคยยกตัวอย่างเรื่องดูนาฬิกาก็ดีหรือว่าเออขับรถก็ดีเรานั่งขับรถอยู่เห็นไหมละ่ะมันก็เห็นเรานั่งขับรถได้อ่ะแล้วก็เห็นร ถ, รถเห็นต้นไม้เอ๊ะเห็นถนนเห็นรถคันอื่นมันเห็นไปหมดเลยแต่ที่สาคัญคือต้องเห็นตัวเราว่าเราเนี่ยเป็นผู้ขับรถ การเห็นตัวเรานั่นแหละมันมีสภาพธรรมะที่เห็นเห็นตัวเราได้ถ้าเวลาลืมไปเห็นไหมตัวเราขับรถแต่ก็ไม่รู้ไม่เห็นเลยว่าตัวเราขับรถแต่พอมีสติมันก็เห็นเลยว่าตัวเราขับรถตรงนี้เลยต้องการชี้ให้เห็นแล้วก็ต้องการให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักธรรมชาติเห็นอือทีนี้เดี๋ยวใครมีประสบการณ์เข้าใจเรื่องเห็นเรื่องนี้มากขึ้นก็ออกมาแชร์ได้นะเพราะว่าการที่ แต่เดิมเราเนี่ยเหมือนกับว่าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้เราไม่เคยรู้จักแล้วปฏิบัติแล้วก็ได้ยินได้ฟังจนกระทั่งว่าเห็นแล้วก็แชร์ประสบการณ์เนี่ยเหมือนกับว่ามาบอกว่าเมื่อก่อนไม่เห็นแล้วทาไมตอนนี้มันเห็นทําไมจึงเห็นได้อะไรเงี้ยอเออ ช, ชี้จุดที่คอนอื่นไม่เห็น<อ>หน้องพ่ออยากจะขยายเรื่องอก่อนที่จะอะถึงตัวเห็นอะไรอย่างนี้ก่อนไหมคะว่าเอ๊ะ บ, บางท่านอาจจะแบบเอ๊ะอยู่ดีเข้ามาปุ๊บแล้วแบบเอ๊ะ เหมือนกับเห็นอะไรอย่างนี้ยังงๆอยู่อะไรอย่างเงี้ย ค, นะค่ะเมื่อกี้หลวงพ่อพูดถึงเรื่องตัวเองกับเห็นตัวเองไปแล้วเนาะทีนี้เอาของจริงเลยเนี่ยตอนเนี้สมมุติว่าก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องคนอื่นหมายความว่าก่อนที่จะไปรู้ว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนู้นเป็นยังไงอะไรก็แล้วแต่เนี่นะกลับมาเห็นตัวเราก่อนว่าตัวเราเนี่ยการเห็นตัวเราก็บางทีก็ชี้นาด้วยการบอกด้วยอด้วย ด้วยการชี้บอกว่าตัวเราเนี่ยอยู่ในอีเดยยบทอะไรเช่นตัวเรานั่งอยู่ก็ให้รู้ตัวเราให้เห็นตัวเราว่าตัวเราเนี่ยนั่งอยู่ซึ่งตอนนี้โอเคเห็นได้อยู่แล้วรู้ได้อยู่ทั้งรู้ทั้งเห็นหรอเพราะอาจจะใช้คำสองคานี้นะผสมกันจริงๆมันใกล้เคียงกันก็พอบอกว่าอา้าวการที่เห็นตัวเองหรือว่ารู้ตัวเองเนี่ยก่อนที่จะรู้กคนอื่นเนี่ยให้รู้ตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยนั่งอยู่เพียงตรงนี้เขาเรียกว่าชี้บอก เพื่อให้กลับมามามารู้มาเห็นก็เห็นได้จริงๆว่าตัวเรานั่งอยู่ไม่ใช่ยืนไม่ใช่นอนมันเห็นได้จริงๆคือเห็นทั้งตัวนี่หลวงพ่อหมายความว่าให้เห็นทั้งตัวนะไม่ได้โฟกัสไปที่หัวหรือว่าที่เท้าที่เอวที่ตรงไหนให้เห็นรวมรวมทั้งตัวพอเห็นรวมรวมทั้งตัวแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นแล้วนะเห็นตัวเราแล้วแต่ทีนี้เพื่อที่จะให้รู้จักไอตัวเห็นเนี่ยว่าไอตัวเห็นเนี่ยมันเป็นตัวเราจริงหรือเปล่าหรือเป็นอะไร เราก็ต้องไปเห็นคนอื่นไปเห็นคนอื่นเช่นตอนนี้นะเอาสมมติว่าระหว่างระหว่างที่เรานั่งคุยกันในทางครับเนี่ยเราอาจจะเห็นในทางความคิดก็ใช้ยากนะเนาะเห็นเหมือนกับว่าอยมรวมหนุย่ยนุยอย่างนี้ยหลวงพ่อไม่เคยเห็นหน้าตัวจริงหลวงพ่อไม่เคยรู้ว่าตําแหน่งที่อยู่ของโยมหนุ่ยนุยอยู่ตรงไหนแต่มันก็ความรู้สึกว่าอันนั้นน่ยมันเป็นภาพนิมิตขึ้นมาแล้วเป็นเครื่องหมายเป็นรูปของโยมนั่นแหละแต่ว่ามันก็มั่วมั่วไปแต่ก็พอรู้ได้ว่าอ๋ออันนั้นแหละ มันปรุงแต่งสร้างขึ้นมาเป็นเป็นเหมือนกับว่าจะเรียกว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้แล้วก็มีการเห็นขึ้นมาแต่การเห็นเนี้มันไม่ได้เห็นด้วยตาเนาะแต่ทีนี้ทุกคนก็อาจจะเข้าใจว่าเ อ, อ๋อก็เราเห็นแล้วยอมเห็นเราเห็นดวง่งนุ่ยแล้วมันก็ยังมีตัวเราเห็นอีกก็ตรงเนี้ยมันยังแยกไม่ได้ว่าไอ้ตัวเห็นเนี่ยจริงๆกับตัวเรามันคนละตัวกันทีนี้จะพูดยังไงให้เข้าใจก็ลองมองอย่างนี้ลองมองอย่างนี้เลยนะว่า ให้เห็นตัวเราครั้งหนึ่งให้เห็นโยมหนุ่ยหนุ่ยครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วตรงนี้หลวงพ่อก็เคยบอกแล้วมันรู้สึกว่าการเห็นเนี่ยมันวิ่งไปวิ่งมาคือเดี๋ยววิ่งมาเห็นตัวเองเดี๋ยววิ่งไปเห็นโยมน้่ยเดี๋ยวก็วิ่งมาเห็นตัวเองเดี๋ยวก็วิ่งไปตรงโน้นและตรงนี้หลวงพ่อก็อจะชี้เห็นว่าไอการวิ่งไปวิ่งมาอันนั้นก็ยังเป็นสิ่งถูกเห็นถ้าโยมเข้าใจว่าไอตัวที่มันวิ่งไปวิ่งมาเป็นสิ่งถูกเห็นเนี่ยโยมจะเข้าใจเรื่องไอตัวเห็นขึ้นมาว่าโอ้ไอ มันเห็นโยมหนุ่ยน้อยมันเห็นตัวเองแล้วก็มันเห็นไอ้ตัววิ่งไปวิ่งมาไอ้ตัววิ่งไปวิ่งมาไม่รู้เขาเรียกอะไรก็ช่างมันเถอะแต่ว่าความรู้สึกมันมันมันสัมผัสได้ว่าอ๋อเดี๋ยวมันวิ่งไปเห็นตรงโน้นเดี๋ยวมันวิ่งมาเห็นตรงนี้แล้วตรงเนี้ยโยมจะเข้าใจเลยว่าไอ้ตัวเห็นเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไอ้ตัววิ่งแล้วก็ไม่ใช่โยมหนุ่ยน้อยแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วก็ตรงเนี้ยถ้ารู้จักตรงนี้สักครั้งนึงเนี้ยต่อไปมันก็จะชำนาญในการรู้จัักไอตวเเห็นรา แล้วไอ้ตัวเห็นเราเนี่ยมันก็ได้แต่เห็นก็หมายความว่าตัวเราเป็นผู้นั่งใช่ไหมแต่ตัวเห็นเราเนี่ยมันไม่ได้นั่งแล้วมันเห็นโยมหนุ่ยน้อยนั่งแต่ไอ้ตัวเห็นก็ไม่ได้นั่งแล้วไอ้ตัวที่วิ่งไปวิ่งมาแต่ตัวเห็นก็ไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นผู้ดูก็ได้เป็นผู้เห็นก็ได้แล้วก็ผู้ดูผู้เห็นเนี่ยมันไม่ปรากฏตัวคือมันไม่เป็นเรามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่นะ ลายตัวตนลายรูปพันธ์สันฐานลายรูปลักษ์คือไม่ปรากฏตัวถ้าไม่ปรากฏคือไม่เป็นอะไรทักอย่างแต่คุณสมบัติของมันคือรับรู้ได้คือเห็นได้แล้วมันก็ไม่ได้พูดไม่ได้อะไรทักอย่างเดียวเพราะมันไม่ปรากฏตัวมันไม่มีตัวจะพูดมันไม่มีอวัยวะมันไม่มีเครื่องมือที่จะขยับขยื่นเคลื่อนไหวมันไม่มีเพราะสิ่งใดเคลื่อนไหวมันก็เป็นสิ่งถูกเห็นเนาะเออเป็นสิ่งที่ปรากฏไอ้ที่อันใดที่มันวิ่งไปวิ่งมามันก็เป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่ปรากฏ นะและตัวเราเี่เรียกว่าตัวเรามันก็เป็นสิ่งที่ปรากฏตัวโยมหนุ่ยนุยที่ปรากฏในในลักษณะที่เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายมันก็เป็นสิ่งที่ปรากฏแต่ตัวรู้ตัวเห็นเนี่ยเป็นความไม่ปรากฏเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละที่เขาเรียกว่าเป็นตัวดูตัวรู้ตัวเห็นไม่ใช่ตัวผู้ประพันธ์ทําที่โยมแต่งกอนมาเนี่ยไม่ได้ประพันธ์อะไรเลยแต่ได้แต่รู้ได้แต่เห็นเนี่ยมันก็ชัดเจนตรงนี้่งอยากจะสอบถามหลวงพ่อนิ้นึงนะครับผมก็ คือพอดีผมเป็นคนที่แบบว่าอชอบชอบคิดมากใช่ไหมครับผมเวลาทำงานทำอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เวลาเราทำธุรกิจเนี่ยเรามีปัญหาเกิดขึ้นใช่ไหมครับซึ่งมันอาจจะเป็นปัญหาที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าผมก็จะชอบเอามาคิดต่อแบบปรุงแต่งไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมจนกระทั่งเหมือนแบบมันหยุดคิดไม่ได้แล้วพอหยุดคิดไม่ได้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันมันแก้ยากแก้ไม่ได้เพราะว่า มันมันคิดไปถึงตอนจะจบแล้วอะ่ะว่าแบบมันจะต้องแย่ไปขนาดนั้นแน่เลยอะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่มีความสุขในชีวิตเลยคนรอบข้างก็พยายามมาบอกว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นจริงๆเรื่องมันเล็กนิดเดียวเองทํำไมผมถึงแบบคิดไปถึงจุดนั้นได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มักจะเป็นแบบเนี้ค่อนข้างบ่อยก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าเรามีวิธีในการควบคุมความคิดตัวเองอะ่ะไม่ให้คิดไปในทางที่แบบแย่หรือเลวร้ายขนาดนั้นเนี่ย ได้ยังไงครับผมหลงพ่อถามเพิ่มเติมเป็นข้อมูลเนอะ เ, ออเมื่อเป็น อ, อย่างนี้ตัวโยมเองเนี่ยเคยแก้ปัญหาโดยวิธีตามความรู้ความสามารถของตัวเองเนี่ยได้จัดการความคิดหรือแก้โดยวิธีอย่างไรมามาก่อนรึเปล่าก็ <c oughs> มีเจริญสติครับผมก็เหมือนแบบอาจจะเดินจงกรมบ้างแล้วก็พยายามนั่งสมาธิสวดมนต์บ้างมีทําำเบื้องต้นมาประมาณนี้ครับผม ทีนี้ระหว่างเดินระหว่างเดินเนี่ยเอาอะไรเป็นฐานที่ตั้งของสติหมายถึงว่าเอาเอาอะไรที่เป็นเป็นเครื่องระลึกรู้ตอนเดินก็พยายามรู้สึกตอนที่เท้าเราเหยียบกับพืชนะคะผมก็พยายามให้ให้สให้ความคิดเราอะไปอยู่ที่เท้าแล้วก็พยายามไม่คิดถึงกให้ให้อะไรไปอยู่ที่เท้านะคือให้ให้เหมือนแบบว่าอความคิดเราครับผม ให้ไปอยู่ที่เอตรงเท้าว่าโอเครู้ว่าเท้าสัมผัสกับพื้นอ <commencer> ะไรเงี้ยครับจะได้ไม่คิดไปถึงเรื่องอื่นแต่ก็มีช่วงที่แบบเรื่องอื่นแวบเข้ามาในหัวเหมือนกันอะไรเงี้ยครับจริงๆตรงนี้ต้องใช้คําว่าให้มารู้ที่เท้าที่เคลื่อนไหวเนาะเท้าสัมผัสพื้นเนาะเออไม่ใช่เอาความไม่ใช่เอาความคิดมาไว้ที่เท้าคือให้รู้ที่เท้าว่าเท <ๆ S 2> ้าเนี่ยกําลังเคลื่อนไหวหรือว่าเท้ากําลังเดินหรือว่าเท้ากับกระทบพื้นคือให้รู้อย่างนี้เอาโอเคนะเมื่อรู้แล้วแล้วยังไงต่อเมื่อทําแล้วแล้ว พอพอเราทําแล้วเนี่ยครับผมสักพักหนึ่งก็จะมีเหมือนแบบความคิดที่เราไม่อยากคิดเนี่ยแอบเข้ามาในสมองใช่ไหมครั บ, รบซึ่งเราก็พยายามจะไม่คิดถึงมันแต่ว่าเหมือนบางทีเราก็จะลืมตัวไปคิดตามครับพอพอไปคิดตามปุ๊บมันก็จะดึงเรากลับไปในความรู้สึกแย่ๆเลยครับแล้วผมก็ต้องพยายามดึงตัวเองกลับมาที่แบบรู้สึกว่าเออเท้าเหยียบพื้นแล้วก็พอทําแบบเนี้ยไปสักพักนึงมันก็แวบเข้ามาคือเหมือนแบบ มันจะเข้ามาหาผมเป็นพักๆในระหว่างที่เราเดินเดินจงกรมอะไรเงี้ยครับผมะทีนี้แสดงว่าตรงเนี้ยเราไม่รู้เราไม่รู้เป้าหมายของการเดินว่าเดินเพื่ออะไรนะเราไม่รู้เป้าหมายแต่จริงอ่ะเขาเดินเนี่ยเดินคือฝึกสติคือฝึกจิตให้มีจิตรู้ใช่ไหมให้มีจิตรู้เพราะก่อนนั้นเนี่ยจิตรู้ไม่มีมันมีแต่จิตคิดแต่ทีนี้เมื่อมีอุบายที่ครูบาอาจารย์สอนหรือว่ามีการ น, นี้ย กัลยาณมิตรบอกเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อให้รู้สึกนะเวลาเดินก็ให้รู้ว่าเดินเนี่ยเห็นไหมให้รู้ว่าเดินเนี่ยแสดงว่าฝึกจิตนะฝึกจิตให้มีจิตรู้เท้ากระทบพื้นก็คือให้รู้เห็นไหมก็ฝึกจิตรู้อีกแล้วหรือว่าอะไรเนี่ยทีนี้พอเราฝึกจิตรู้ปั๊บเนี่ยคือถ้าเราไม่ไม่เข้าใจว่าการฝึกแบบเนี้เขาฝึกจิตเราก็ไม่รู้เหมือนกับว่าเราไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์เขาฝึกเพื่ออะไรทีนี้หลวงพ่อจะขยายความก็คือว่าฝึกหมายถึงว่าที่หลวงพ่อพูดว่า คือให้มีจิตรู้ก็หมายความว่าเวลาเท้ากับกระทบพื้นใช่ไหมมันรับรู้ได้ใช่ไหมล่ะเออรับรู้เสร็จก็อรู้รู้แล้วก็พอตอนหลังมันก็หนีไปคิดพอหนีไปคิดปั๊บเนี่ยบางทีมันคิดเพลินมันก็เรียกว่าลืมไปเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นคิดไปแล้วถ้าเป็นคิดคก็คือไม่รู้เนาะอ่าแต่พอถึงจุดหนึ่งมันก็รู้อีกแล้วว่าเมื่อกี้เนี่ยเดินอยู่แต่ไม่รู้ว่าเดินแล้วมันระลึกได้ขึ้นมาแล้วก็กลับมารู้เดินใหม่ตรงที่กลับมารู้เดินใหม่เนี่ยมันก็ตัดความคิดยึดหน แล้วก็รู้กับเท้าสัมผัสอ่านี่ตอนนี้ยังรู้อยู่เนาะแล้วก็พอรู้เรื่อยๆเสร็จแล้วเอ้ามันก็เผลอไปคิดอีกแล้วเผลอไปคิดครับครับตอนที่เผลอนี่จะไม่รู้นะเพราะว่ามันเผลอไงแล้วก็พออยู่ไปอยู่มามันก็ระลึกได้อีกแล้วว่าเอ้านี่เดินอยู่แล้วก็รู้สึกตัวแล้วก็ความคิดก็ขาดจึ๊กนึงอีกก็กลับมารู้เท้าอีกแล้วตรงเนี้ยหลวงพ่อใจชี้ให้เห็นว่าตอนเนี้ยสติเริ่มมีแล้วก็คือรู้ว่าเท้ากับเออ่กระทบพื้นอันนี้มีตัวรู้แล้วมีสติแแลล้้ววก็พอจิิตคด แล้วก็อยู่ๆมันระลึกขึ้นได้ขึ้นมาว่าเออจิตหนีไปคิดอันนี้ก็มีสติแล้วคือเห็นความคิดแล้วว่าความคิดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็รู้จักรู้รู้จักเผลอแล้วนะไอ้เผลอก็คือนั่นแหละคือไม่รู้แต่ถ้ามันรู้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่เผลอเพราะฉะนั้นรู้กับเผลอเนี่ยมันจะสลับกันอยู่แบบเนี้ยมันสลับกันเนาะทีนี้ต่อมาถ้าเราเข้าใจเรื่องว่าอ๋อการฝึกนี่ก็ฝึกรู้เพราะฉะนั้นต่อไปเราก็ขยายผลก็คือว่าเวลาเดินก็รู้เวลา ตัวโยกเยกโครงเทรู้ที่ตัวที่กายให้มากไว้ก่อนแต่มันเผลอไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รู้เองว่าเผลอแล้วก็กลับมารู้กายที่มันเคลื่อนไหวเนอะรู้อย่างเนี้ยรู้เบาเบานะอย่าเพ่งนะถ้าเพ่งเนี่ยเราจะเหนื่อยคือรู้เล่นๆไปมันเดินไปก็รู้มันโซเซยังไงมันอะไรก็โซเซคือแบบรู้ถึงกายที่มันเคลื่อนไหวนะทีนี้ถ้ามันรู้กายมากขึ้นเนี่ยนะความคิดก็จะน้อยลงอะพอรู้กายเคลื่อนไหวพอรู้กายกระทบพื้นมากขึ้นความคิดก็จะน้อยลง ตรงนี้แหละมันจะให้เขาเรียกว่าจะเป็นที่พึงพอใจของโยมก็ได้เพราะเมื่อก่อนโยมแบบความคิดมันเยอะที่มันเยอะเขาไม่รู้แต่พอเราฝึกรู้เยอะๆความคิดก็จะน้อยแล้วก็พอมันคิดก็เริ่มเห็นเริ่มรู้ทันขึ้นพอรู้ทันขึ้นพอมันเริ่มคิดก็รู้ทันนะที่ผ่านมาเนี่ยมันคิดยาวแล้วค่อยนั้นเหมือนกับมันคิดยาวก่อนแล้วค่อยรู้แต่ต่อไปเนี่ยพอมันมันคิดแป๊บหนึ่งมันคิดนิดหนึ่งก็เริ่มรู้ทันมากขึ้นความคิดก็จะสั้นลงจะหดตัวลง มันก็ทําให้ไม่มีเรื่องมีราวที่ต้องมาให้เป็นวิตกเป็นเป็นความทุกข์อ่ะเนาะเพราะว่าที่มันเป็นความทุกข์เพราะว่ามันคิดเป็นเรื่องเป็นราวมันคิดยาวแล้วก็มันก็ทําให้เป็นทุกข์แต่ว่าถ้ามันคิดสั้นๆแล้วก็ตัดขาดหมายความว่าพอมันคิดสั้นคือมันหมายว่ามันคิดแล้วยังไม่ทันเป็นเรื่องราวเท่าไหร่มันถูกตัดเสียก่อนถูกตัดเสียก่อนก็ทําให้เรื่องราวต่อไม่ติดเมื่อเรื่องราวต่อไม่ติดความทุกข์ก็จะน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ความสงบความสุขก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ นั่นนะเพราะนั้นที่ฝึกเดิน <ạ. S 1> ก็ให้เข้าใจเป้าหมายนะว่าเราฝึกให้มีจิตรู้เนาะเราไม่ได้ฝึกเดินเฉยๆ อ, อ๋อเข้าใจนะ้วครับผมทีนี้พอจิตรู้เสร็จแล้วเนี่ยต่อไปนะก็หมายความว่าจิตเนี่ยมันจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆเช่นเวลาเดินเนาะมันจะมีความเมื่อยความเจ็บเห็นไหมก็รู้อีกว่าอ๋อมันเมื่อยละมันเหนื่อยละเห็นไหมมันก็ทําให้เกิดตัวรู้ขึ้นมาว่าอ๋อเหนื่อยแล้วรู้แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอันนั้นนะมันเป็นเป็นฐานที่ตั้งของสติเป็นเครื่องฝึกนะ เออพอมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะรู้แล้วรู้แล้วถ้ารู้แล้วเนี่ยแสดงว่ามีสติลนะเออรู้แล้วก็มีสติเพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นก็คือคือรู้มันแต่เพือต่เพือนั่นแหละคืออย่าไปรังเกียจกับสิ่งที่ปรากฏเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏนะั้นเน่ะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวฝึกเป็นอุปกรณ์ในการฝึกแต่คนส่วนมากไม่เข้าใจแล้วก็รังเกียจอุปกรณ์แล้วก็ไม่อยากให้อุปกรณ์นั้นปรากฏขึ้นแต่จริงอ่ะมันเป็นของดีหมดเลยอ๋อครับผม พอเข้าใจนะทีนี้ถ้าความคิดมันเกิดก็อย่าไปจ้ังหัวมันแต่ว่าเราถือว่ารู้แล้วก็ถือว่าเป็นการฝึกแล้วนะยิ่งมันคิดตอนไม่หลับก็ดีจะได้ฝึกทั้งคืนอ่าใช่ไหมเออฝึกรู้รทั้งคืนครับผมโอเคนะพอเป็นแนวทางเนาะท้าวทขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับก็อย่างนิทานมันก็โอเคนะเป็นการอุปมาอุปไมยซึ่งเราฟังแล้วเหมือนกับว่ามันเห็นภาพ มันเห็นภาพก็จะเข้าใจแต่ภาคปฏิบัติมันก็เป็นอีกอันหนึ่งโดยเอาคําอุปมาอุปไมยนั่นแหละมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นคือเป็นแผนที่เนาะอย่างเช่นของโยโมเมื่อกี้ที่บอกว่าฝึกเดินจงกรมฝึกเดินอะไรเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันเป็นหลักแล้วก็ความคิดเนี่ยมันเป็นวัวเออแล้วก็ให้มีหลักเอาไว้ก็เหมือนกับอุปมาอย่างนั้นแหละแล้วก็ต่อไปเนี่ย เมื่อวัวเนี่ยตอนแรกก็ต้องผูกก่อนผูกก่อนผูกก่อนแต่เมื่อต่อมาเนี่ยพอผูกบ่อยๆแล้วก็มันคุ้นชินแล้ววัวก็ไม่พยศแล้วผมไม่พยศก็ปล่อยเชือกคือไม่ต้องฝึกแล้วแล้ววัวมันก็กินหญ้าเลี้ยงหญ้ามันไม่ไปทุกชนแล้วเออเนาะแล้วไอ้คนเลี้ยงวัวคนฝึกก็ก็ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วก็คือก็เมื่อฝึกเสร็จนะเมื่อฝึกสติอย่างเงี้ยเสร็จก็เหมือนกับฝึกวัวเสร็จแล้วก็ปล่อยมันอินสระไปวัวจะไปไหนก็ไปก็ เราก็ติสระไปแล้วก็คือแน่จริงๆก็คือแค่ฝึกนั่นแหละพอฝึกจบก็คือก็ไม่มีอะไรละเอเอม่แปลกดีเหมือนกันนะจบไปจุดท้ายก็เอาไม่ได้อะไรเลยได้แค่ฝึกอืมอันนี้ก็เป็นการอุปมาอุปไมยเนาะเพื่อเพื่อให้เราเห็นภาพอย่างเมืึกยี่หลวงพ่อฟังก็มันเห็นภาพอะ่ะเห็นภาพมาบวกกับว่าที่ผ่านมาหลวงพ่อก็ฝึกอย่างนี้แหละเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยคล้ายๆกับโยมมากเลยหลวงพ่อทํางานะ่ะแล้วมันคิด มันคิดจนแบบโอ้เหนื่อยมากเลยแล้วนอนก็ไม่หลับแล้วก็บันทอนสุขภาพหลวงพ่อก็มาฝึกแนวหลวงพ่อเทียนยกมือ14จังหวะก็ฝึกมารู้กายเคลื่อนไหวเห็นไหมเรามาฝึกรู้ไงฝึกรู้ก็โดยใช้รูปแบบก็เอามือเนี่ยขูเหยียดเข้าเหยียดออกยกมือไปยกมือมาแล้วก็รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของกายเห็นไหมก็เท่ากับว่าเอากายเนี่ยเป็นอุปกรณ์นะเป็นฐานที่ตั้งของของสติแล้วก็ฝึกรู้ แรกๆก็หลวงพ่อก็ไม่ถูกหรอกแต่ว่ามันเพ่งเยอะเพราะว่ากลัวจะไม่รู้แต่ก็อย่างน้อยก็เห็นผลคือความคิดเนี่ยมันน้อยลงพอความคิดน้อยลงมากจิจมันก็สงบแล้วมันมีความสุขพอมีความสุขมันชอบเลยอ่ะชอบพึงพอใจพอพึงพอใจก็ขยันฝึกก็ไปอีกเพราะมันพอใจอ่าขยันฝึกยิ่งขยันฝึกมันก็ยิ่งนําความสุขมาให้เพราะว่ามันได้สมาธิมันได้ความสงบ ก็หมายความว่ามันแยกเป็นก็คือเวลาทํางานก็มันอยากคิดเหรอก็คิดเต็มที่เล ย, ยนะคิดเต็มที่เลยแล้วพอเลิกงานเนี่ยก็มารู้สึกตัวก็คือมันก็หยุดคิดได้มันหยุดคิดเพราะรู้สึกตัวมันไม่ได้หยุดคิดเพราะเราไปห้ามหรือว่าเราไปคิดซ้อนคิดหรือว่าอะไรไปกบเกื่อนไม่เลยเพียงแต่ว่าให้กลับมารู้นะให้มีสติรู้กายเคลื่อนไหวแค่นี้ยความคิดก็ถูกตัดทอนจากยาวให้สั้น จากมันคิดเยอะก็เป็นคิดน้อยลงแล้วก็นําความสุขมาให้อันเนี้ยเรียกว่าได้พื้นฐานของสมาธิแล้วละ่ะเออแต่ปัญญาตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่เกิดเลยเนี่ยมันก็ปัญญาก็อีกขั้นตอนหนึ่งแต่อย่างน้อยก็เอาตรงนี้ไว้ก่อนก็ถือว่าความสุขที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นนะมันก็พบแล้วว่าความสุขที่เกิดจากสมาธิหรือเกิดจากการฝึกสติเนี่ยมันก็เป็นอย่างเนี้ยอื ทีนี้เมื่อวานเนี่ยมันมีประเด็นตกค้างอย่างไรไหมที่จะมารื้อฟื้นเพื่อขยายให้คนที่ไม่เข้าใจได้เข้าใจอย่างยกตัวอย่าง<ฆ>เรื่องแต่มันก็เข้าใจยากจริ ง, งนะเพราะว่าของพันนี้มันต้องปัญญาแต่ก็ไม่เป็นไรถ้ายัางมียังฝึกว้าเนาะ<ฆ>เขาเรียกว่ามีความตั้งใจที่จะเออหาความรู้ใส่ตัวก็ต้ตองต้องอย่างนี้แหละ<ฆ>แต่ที่นี้มันมี อุปมาเนี่ยเมื่อวานที่เราพูดถึงสูตรที่ชิงเชาใช่ไหมชิงเฉาเป็นคุณพี่ที่เขียนสลโลกอะว่าตอนท้ายเนี่ยบอกว่าจิตเนี่ยมันเปรียบเหมือนกระจกนะแล้วก็บอกว่าต้องคอยขัดถูกระจกให้มันเงาวาวับอะนะ เ, ออเพื่อที่จะคุณเกาะไม่ได้นะคือคนฟังแล้วเนี่ยดูมันก็มีเหตุผล น, นะบอกโอ้เราปฏิบัติธรรมเนาะเราจะต้อง รักษาจิตจะต้องขัดจิตเนาะให้มันแบบ<ฆ>ให้มันสะอาดให้มันผ่องใสเพื่อจะได้กิเลสต่างๆจะได้ไม่มาเกาะเขาเห็น <c oughs> ด้วยนะตอนนั้นนะเนาะแต่พอเว่ยหลางมาดูปั๊บแต่อ่านหนังสือไม่ออกให้ค น, นอ่านให้บอกเออลองอ่าน <c oughs> นิดนึเขาเขียนว่าอะไรอืมพออ่านเสร็จแล้วเว่ยหลางเนี่ยภูมิธรรมสูงกว่าไงก็ก็มีความเห็นว่าแค่นี้ยังไม่ถึงที่สุดแต่ <c oughs> แตเว่ยหลางเขียนหนังสือไม่ได้ก็บอกให้คนอื่นช่วยเขียน ห, หน่อยแล้วก็เขียนว่าเออ กระจกก็ไม่มีนะเมื่อกระจกไม่มีแล้วเราอได้ยังไง <c oughs> ตรงนี้หลวงพ่อ็จะชี้ให้เห็นว่านะชี้ให้เห็นเรื่องของสองเรื่องนะชี้ให้เห็นสองเรื่องก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องจิตเพราะในนั้นเน่ยได้พูดถึงจิตว่าจิตเปรียบเหมือนกระจกก็แสดงว่าจิต จ, จ, จริงๆก็ไม่มีนะเมื่อจิตไม่มีแล้วกิเลสอะไรที่จะทำลายจิตได้เนาะเออกิเลสปัญหาต่างๆสิ่งมากระทบทั้งหลายต่างๆจะทาอะไรได้กับจิตเพราะจิตเป็นความไม่มี ไอ้ตรงนี้มันก็เป็นเข้าใจยากเนี่ยเพราะว่ามันเป็นธรรมะขั้นปัญญาขั้นหลุดพ้นขั้นสูงสุดเนี่ยขั้นที่มันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขแล้วคนก็เข้าใจยากแต่ว่าจริงๆอ่ะไอ้คําว่าจิตเนี่ยเ้าหมายถึงไอ้จิตที่มีนี่นะถ้าว่าไปแล้วหลวงพ่อจะขยายตามความเข้าใจนะคําว่าจิตเนี่ยถ้าจิตไม่มีนี่แปลว่ามันคือไม่ไม่ไม่ปรากฏของเออไม่ปรากฏการเกิดของจิตถ้าจะเรียกว่าจิตนะเป็นจิตที่ไม่เกิดเอออันนี้อาจจะเข้าใจง่ายแต่ ไอ้ที่เกิดเนี่ยเขาเรียกว่าจิตที่เกิดแล้วหรือว่าเรียกว่าจิตที่ปรุงแต่งอ่าถ้าพูดถึงเรื่องจิตเราก็ต้องพูดขยายกันอย่างนี้แต่ทีนี้เมื่อเราเข้าใจ ว, ว่าไอ้จิตแท้เนี่ยไอ้จิตเดิมแท้แท้เนี่ยเขาเรียกว่าเนี่ยจิตเนี้ยเป็นจิตที่ไม่เกิดเป็นจิตที่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับกระจกกระจกนี่แหละเมื่อเมื่อมันไม่มียยกระจกอ่าคุณก็เกาะไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันเมื่อไม่มีจิตเนี่ยอะไรก็ทําอะไรจิตไม่ได้แต่ทีนี้เรามาพูดถึงเพื่อขยายกันอีกว่า อาการต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเช่นเป็นความรู้สึกเนาะความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกสบายไม่สบายคว า, ค, วาความรู้สึกโกรธความรู้สึกโลภความรู้สึกโกิดหลงเนี่ยอันเนี้ยถ้าจะเรียกว่าจิตก็คือจิตนั่นจิตที่เกิดแล้วเมื่อจิตนี้เกิดแล้วจิตนี้จะต้องดับไปเขาเรียกว่ามันเป็นจิตตสังขารคือสังขารอ่าเมื่อเป็นขึ้นชื่อว่าสังขารสังขารมีแล้วหมดไปมีแล้วหายไปนะครับก็จะรู้เลยว่าไอ้จิตเกิดเนี่ยนะมันก็เมื่อเกิดแล้วมันต้องดับเป็นธรรมดา ทีนี้เมื่อดับเป็นธรรมดาในการฝึกสติก็คือนี่ไงก็เห็นเห็นรู้รับรู้ถึงการเกิดการดับสิ่งที่มันเกิดในในความไม่ในในจิตที่ไม่เกิดอะ่ะมันก็อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ที่เดียบที่เดียวกันพอเห็นอย่างนี้ก็รู้แจ้งว่าอ๋อ ó, สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาแต่สิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับก็คือจิตจิตเดิมแทนนะ้นั่นแหละเดิมแท้ก็้ปแล้วคือจิตที่ไม่เกิดนั่นเองในตอเราก็จะเข้าใจเรื่องจิตเดิมแท้ ทีนี้ถ้ามาพูดถึงเรื่องเรื่องตัวตนนะจริงๆตัวตนมันก็ไม่ได้มีหรอกที่มันมีก็มีแค่สิ่งที่ปรากฏนะแต่ด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงก็ไปยึดถือสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาว่าเป็นเราสิ่งที่ปรากฏคืออะไรล่ะเนี่ยก็คือพวกสังขารทั้งหลายเนาะตั้งแต่อ่าถ้าพูดเป็นขันห้าเนาะตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณเนี่ยพวกนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏหมดเลยพระพุทธเจ้าก็แยกขันให้ดูแล้วว่าไอ้แก่ละขันเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเนาะ แต่ละขันมันก็เป็นทุกเนาะแต่ละขันมันก็เป็นอนัตตาเนาะนี่พระพุทธเจ้าคนพบมาว่าจริงๆอ่ะมันเป็นแค่สังขารไม่เที่ยงแล้วก็เป็นสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ตัวตนอะไรแต่ด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่เข้าใจก็เลยไปยึดถือขันต่างๆมาเป็นกูมาเป็นกูมาเป็นเรานะทีนี้ถ้าสิ้นยึดนะเข้าใจถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาไม่เข้าใจผิดอีกเลยก็คือเข้าใจว่าอนัสนเป็นแค่สิ่งเกิดสิ่งดับ สิ่งเกิดสิ่งดับแล้วก็ไม่มีตัวตนไม่มีเราเมื่อไม่มีเราเท่ากับว่าเนี่ยตรงนี้เท่ากับว่าไม่มีกระจกเท่ากับไม่มีกระจกเมื่อไม่มีเราก็อะไรจะทํำร้ายเราได้อ่ะมันเพราะเราไม่มีเนาะก็มีแต่แค่สิ่งเกิดสิงดับมันก็เกิดดับเก้อเกไปอย่างนั้นแหละตัวเราไม่มีก็เลยไม่ได้ทุกข์ไม่ได้สุขอะไรนเี้ยถ้าฟังเข้าใจแบบนี้มันเปรียบเทียบอุปมาอุปไมแบบเนี้ยอย่างน้อยมันก็เห็นเห็นภาพเนาะว่าเออมันเป็นความหลงผิดว่ามีตัวตนแต่จริงอ่ะ มันมีแต่ส yes, you know ังขารเกิดดับเนี่ยแล้วก็มันเห็นอยู่แล้วเนี่ยว่าอะไรเกิดอันนั้นก็ดับเนี่ยความโกรธก็เคยเกิดแล้วก็ดับแล้วก็รู้จักแล้วความรักความสุขก็เคยเกิดแล้วก็ดับแล้วแล้วมันก็เกิดใหม่แล้วก็ดับอีกเพราะมันเป็นมันมีเหตุปัจจัยให้เกิดเนาะมันก็วนๆอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เรามาฝึกสติหรือว่าฝึกให้เกิดการรู้แจ้งเนี่ยคือฝึกให้มีตัวรู้นะฝึกให้มีตัวรู้แต่จริงคําว่าตัวรู้มันก็เป็นแค่คําสมมติเรียกว่าตัวรู้แต่จริงอ่ะ ไอ้รู้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีตัวหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเน้นหนักเรื่องเรื่องรู้นะเน้นหนักที่เราฝึกเนี่ยเรื่องรู้อะไรเกิดขึ้นก็คือรู้แล้วรู้แล้วแล้วก็ด้วยสติปัญญาที่พระพุทธเจ้าท่านบอกทางไว้แล้วว่าเออเมื่อรู้สิ่งใดก็อย่าไปหลงยึดถือสิ่งนั้นเพราะถ้ายึดเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เป็นพุกกับสิ่งนั้นเพราะสิ่งนั้นมันไม่เที่ยงมาในรู้ปัจจบังขณะอะไรเกิดขึ้นคือรู้แล้วรู้แล้วเพียงไปอย่างเนี้ย อย่างน้อยก็จากทุกข์มากมันก็ทุกข์น้อยลงเพราะว่ารู้แล้วพออะไรเกิดขึ้นเหมือนกับรู้แล้ว <c oughs> ก็เราเราเนี่ยเดินตามตามมากักตามทางที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็ถือว่าไม่ผิดเส้นทางอะไรอันนี้ก็รู้ไปเหมือนกับครูบาอาจารย์เห็นไหมครับท่านพูดบางทีก็พูดง่ายๆบอกเออรู้ซื่อๆรู้ตามที่มันเป็นมันเป็นอย่างไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องคิดมากหรอกไม่ต้องคิดแบบโหดอะไรมากมายก็คือ มันรู้แล้วก็รู้ไปมันรู้ทางไหนอ่ะเอาถ้าสมมตินะอายตนะสของเราเนี่ยมันรู้แล้วได้หมดเห็นรู้ทางตาก็ได้รู้ทางหูก็ได้รู้ทางกลิ่นทางลิ้นทางรสทางใจก็รู้ได้เนาะแต่ทีนี้บางคนบางทีถ้าเหมือนกับว่าถ้ารับรู้ทางอายตนัทั้งหกทางแบบเนี้ยมันรู้สึกว่ามันฟุ้งร้างมันจับทางไม่ได้เนี่ยก็สํารวมกายวาจาก็สํารวมอินทรีย์เสียเออแล้วก็มารู้ที่ใจนะเพราะทุกอย่างมันรวมลงที่ใจ ความสุขก็รู้ที่ใจความทุกข์ก็รู้ที่ใจความเบือ่อความเซ็งก็รู้ที่ใจความโกรธอะไรต่างๆรู้ที่ใจหมดเลยเพราะมันลงอยู่ที่ใจนะแต่ส่วนมากเราก็อย่างว่าเนาะกิเลสตัณหาอุปทานเนี่ยมันไม่ชอบสิ่งบางอย่างสิ่งไหนไม่ชอบมันก็ผลักใสสิ่งไหนชอบก็จะยึดเอาไว้แต่ความจริงเนี่ยถ้าใช้หลักแค่รู้แค่รู้เนี่ยคือไม่ยึดถือสิ่งใดไม่ผลักใสสิ่งใดได้แต่รู้ตรงๆนะมันรู้สึก มันโกรธก็รู้ว่าโกรธมันมันไม่โกรธก็รู้ว่าไม่โกรธมันสบายก็รู้ว่าสบายมันไม่สบายก็รู้ไม่สบายมันโล่งก็รู้ว่าโล่งมันทึบมันตื้อก็รู้มันทึบมันตื้อรู้ตรงตรงตรงตรงซื่อซื่อคือแบบนี้แหละกย่างนมัสการพระจารย์นะครับครับก็ได้ฟังแล้วเนี่ยก็เกิดปัญญาตื่นรู้ขึ้นมาเยอะเลยนะครับที่หลงพ่อเมตตานะครับก็อยากจะ เอฟังแล้วก็อยากจะทบทวนความเข้าใจนะครับในขั้นตอนระหว่างที่เราปฏิบัติเนี่ยก็ดูเหมือนว่าในช่วงที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยเราควรที่จะต้องออพยายามคือเขาเรียกพยายามรู้นะรู้ตัวแล้วก็มองเห็นตัวแล้วก็ฝึกในการที่จะ ร, รู้รู้ตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปฐานไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกนะครับ คือในระหว่างการฝึกอ่ะดูเหมือนว่าเราพยายามที่จะฝึกที่จะต้องรู้จากตัวเองโดยวิธีการปฏิบัติประมาณเนี้นะครับคือหลักๆให้รู้ตัวแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องพอถึงปฏิบัติไปจนกระทั่งถึงจะถึงที่สุดแห่งทําได้เนี่ยเราก็ต้องปล่อวางไอคิดที่เรารู้ทั้งหมดอย่างั้นหรือเปล่าครับเพราะว่าสุดท้ายมันก็เป็นความว่างเปล่า เพียแต่ว่าแต่ก่อนที่เราจะเข้าใจไปถึงความว่างเปล่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความคิดนะครับมันเกิดจากการที่เราต้องปฏิบัติปฏิบัติจนกระทั่งเราอะมองเห็นแล้วว่าเออความคิดมันเกิดความโลภ ม, มันเกิดความโกรธมันเกิดความเจ็บ ป, ปวดมันเกิดอะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับนั่นก็คือเหมือนกับตามหัวข้อว่าให้เห็นตัวเองก่อนใช่ไหมพอเห็นตัวเองก่อนเนี่ยแล้วตัวเองก็จะเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรในตัวเองก็เลย จะทบทวนขเขาเข้าใจว่าอย่างนี้ถูกต้องไหมครับคือเห็นตัวเองจนกระทั่งสุดแล้วสุดแล้วก็คือจะต้องตัวเองกลับมาเห็นว่าเออจริงๆแล้วมันก็ไม่มีตัวเองครับก็เลยประมาณเนี้ยครับก็ขอความเมตตาครับนี้กัอนนะว่าเป็นปัจจุบันขณะนะรู้ตัวเองเนี่ยเมื่อกี้ต้นรายการหลวงพ่อก็พูดอย่างคร่าวๆแล้วว่าตัวเองก็คือโดยทางสมมุติเขาเรียกว่าตัวเรานี่แหละเนาะทีนี้ ถ้าถ้ารู้ตัวเองเนี่ยโอเคเท่ากับว่ารู้ว่าตัวเองตอนเนี้มีอยู่นะมันปรากฏชัดหรือว่ามีอยู่แต่ทีนี้ถ้าเราจะย้อนไปนะเมื่อกี้เหมือนกับพระสูตรเลยที่เวหลังเขาเขียนเนี่ยว่าแต่เดิมต้นโพไม่มีนะกระจกก็ไม่มีแล้วคุณจะเกาะได้ยังไงทีนี้เราลองมองความจริงดีว่าแต่เดิมเนี่ยไอตัวเราที่เป็นขันห้าเนี่ยที่มีหูตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันมีไหมทุกคนเข้าใจได้ว่าไม่มีถูกไหมแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้เรา ปัจจุบันเลยปรากฏเนี่ยตอนเนี้เดี๋ยวนี้มีนะพอมีเสร็จแล้วเนี่ยเท่ากับว่าเรารู้เลยเทียบกับของเก่าว่าแต่เดิมมันไม่มีนั่นเท่ากับว่ารู้จักธรรมชาติดั้งเดิมของมันว่ามันไม่มีตัวเรานะแล้วตอนนี้มันมีแล้วเราก็เข้าใจไปโดยตั้งแต่เรียนรู้จากเห็นปู่ย่าตายายเห็นคนเนี่ยที่เขาเคยเห็นหน้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเขาตายกันหมดแล้วนะปู่ย่าตายายตาทวดเนี่ยเขาตายหมดแล้วแสดงว่าหมดอ่านะแสดงว่า ที่เรียกว่าไอตัวเราเนี่ยมันมีแล้วหมดแล้วก็วันนี้มาน้อมใส่ตัวขึ้นเลยมาว่า mm hmm. พอเห็นตัวเองปั๊บมันก็จะรู้เลยว่าสิ่งเนี้มีแล้วก็หมดเท่ากับว่าไอตัวเนี้ยไอตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งถูกเห็นเรียบร้อยแล้วถูกเห็นว่ามันมีแล้วหมดแต่ทีนี้ไอธรรมชาติเห็นเนี่ยซึ่งขณะกําลังเห็นในปัจจุบันเนี่ยไอเ น, นี้ยมันเป็นความไม่ปรากฏที่หลวงพ่ออาจจะใช้คําว่าจิตก่อนเกิดหรือจิตเดิมแท้ก็ได้นะไอจิตเดิมแท้เนี่ยเป็นความไม่ปรากฏแต่มีความรู้ รู้อะไรก็คือรู้เราเราเนี่ยเป็นแค่ภาพมายาที่เกิดแล้วหมดไปแต่ธรรมชาติรู้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏที่เรียกว่าจิตเดิมแท้นี่แหละอ่ามันก็รู้เราได้เห็นเราได้แล้วมันก็เป็นไม่ใช่สิ่งเดียวกับเราเพราะไอ้ตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดมาใช่ไหมแล้วก็หมดไปแต่จิตเดิมแท้เนี่ยจิตธรรมชาติเนี่ยที่รู้เราที่เห็นเราเนี่ยเป็นความไม่ปรากฏเท่ากับว่าเป็นการไม่เกิดมาและเป็นการไม่ดับไป พอเราแยกอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็อยู่กับปัจจุบันเลยว่าขณะใดที่เห็นตัวเราเนะี่ยขณะนั้นแหละพ้นทุกข์แต่พ้นทุกข์ในที่นี้คือมีปัญญาถึงขั้นสุดขีดแล้วว่าตัวเราก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวเราเป็นแค่สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาให้รับรู้ชั่วคราวแล้วมันก็หมดไปแค่นี้เองแล้วก็จะพ้นทุกข์ได้ในปัจจุบนันนี่คือแบบรัดรัดสั้นที่สุดแล้วที่หลวงพ่อพูดนี่เข้าใจหรือไม่เข้าใจยังไมงมางครับก็ ถ้าในความเข้าใจนะครับก็เหมือนกับว่าเดิมเนี่ยคือเราก็ไม่มีตัวไม่มีตนมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับแตอยูู่เราก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเนี่ยก็มีพ่อแม่มีคนมากําหนดชื่อแล้วเราก็ใช้ชีวิตประจําวันนะครับว่าเอออันเนี้ยโตขึ้นมาอันนี้เป็นของเราอันนี้เป็นของเขาอันนี้ใช่อันนี้เราอยากได้เราอยากได้ความสุขความทุกข์อะไรเนี้ย คือมันก็เหมือนกับการเผอเผอว่าเราอเป็นตัวเราเรามีตัวตนเรามีอัตตาเรามีตัวตนทั้งนี้จริงแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติถ้าในความหมายที่หลวงพอ่อเมตตาบอกมาเนี่ยก็คือว่าเออเราจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าจริงๆแล้วแม้กระทั่งตัวเราก็ไม่มีตัวตนก็ไม่มีมันมีแค่รู้ไปเท่านั้นเอง ประมาณนี้ครับไม่ไม่ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกต้องไหมครับก็ก็ใช่ได้นะแบบเนี้ยเป็นเรียกว่าเป็นความเข้าใจถูกเป็นความเห็นถูกเห็นถูกต้องเขาเรียกเป็นสมรรถทิฏฐิเนาะเห็นถูกต้องทีนี้การเห็นถูกต้องได้เนี่ยี่จริงถ้าพื้นฐานของมันก็คือฝึกรู้ตัวแต่ทีนี้หลวงพ่อมาพูดในขั้นที่ว่าเออรู้เป็นแล้วนะเห็นตัวเราเป็นแล้วพอเห็นเป็นแล้วขนาดที่เนี่ยที่มันมีตัวอยู่เห็นเห็นแจ่มแจ้งอยู่อย่างเนี้ยมันเข้าใจไปด้วยปัญญาโดยที่ว่า ไม่ต้องมาคิดมาพูดมาภาคว่ามันเป็นอะไรคือมันเข้าใจแจ่มแจ้งเข้าใจจนชนิดที่ว่าไม่ต้องพูดว่าเข้าใจอะไระคือมันรู้ไปเลย <ắng. S 1> แล้วก็สุดท้ายมันก็ไม่ได้ติดไม่ได้ยึดอะไรแล้วก็มันมันมันเป็นหมดแล้วอันนี้หลวงพ่อแบบพูดขั้นที่แบบปัญญามากแล้วแต่ว่าถ้าปัญญาไม่มากก็นี่ไงเจเิืนสติเนี่ยรู้กายรู้ใจเห็นตามความเป็นจริงอยู่ว่าเออทุกอย่างมันก็เป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทภูเป็นอ น, นัตตาเนาะก็ต้องอบรมบ่มเพราะปัญญาเนี่ยให้มันเกิดแจ่มแจ้งจนกระทั่งว่ามันแจ้งจริงๆ จนหมดสงสัยอะ่ะแต่ของโยมเนี่ยตามที่ที่ฟังนะโยมก็เข้าใจในหลักการแล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําได้ก็คือทําความเพียนเนาะสัมมาวยายโมคือความเพียนความเพียนชอบให้มันเห็นถูกต้องแล้วก็เพียนอย่างเนี้ยระลึกรู้อยู่เป็นพยจำรู้ตัวอยู่เป็นประจําแล้วก็เห็นว่ามันเออไม่เที่ยงจริงจริงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็สุดท้ายมันก็ตายนะเปลือยเปล่าไปหมดแล้วก็ทําให้แจ่มแจ้งเแจ่มแจ้งแล้วก็พ้นทุกข์ได้นะ ขอบคุณครับสาทุกครับหลวงพ่อ